ชายทั้งสามก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใ น, ในอาณาจักรนิวแลนด์เคิร์ปกครองด้วยราชาที่มีพระนามว่าโอมัสเขามีบุตรชายสามคนนามว่าโอดินออกัสและโอลิเวอร์โอดินเป็นบุตรคนโตเขารักการวาดรูปเขาจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ในป่าของอาณาจักรที่นั่นเขาจะวาดรูปวาดที่สวยงาม เจ้าชายคนรองออสการ์ Oscar. แม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์แต่เขาก็ยังคงลังเลบางครั้งอยากเป็นจิตกรแต่บางทีก็อยากเป็นหมอแต่บางครั้งก็นักเต้นน้องชายคนสุดท้องโอลิเวอร์เขาโอาต่ใจและหยาบคายมากเขาจะถุนเฉียวกับคนใช้และไม่เคยพอใจกับการรับใช้ของพวกเขาเลยสักนิดราชาโอมัสเป็นกังวลกับลูกชายทั้งสาของเขามาก พวกเขาโตแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยทั้งสิ้นวันหนึ่งเขาตัดสินใจเรียกลูกทั้งสามมาพบท่านพ่อได้พวกเรามาพบอย่างนั้นเหรอใช่ลูกรักพ่อน่รับใช้าอาณาจักรแห่งนี้จนหมดทุกสิ่งแล้วพ่อยังจะออกเดินทางไปเที่ยวรอบโลกอย่าให้พวกเจ้ารับผิดชอบต่อจากนี้แทนท่านพ่อ ข้าขอโทษนะแต่ข้าจะค้นหาตัวตนอยู่เลยข้ายังไม่แน่ใจว่าชอบอะไรอะ่ะและมันคงจะดีมากถ้าหาไม่มีแรงกดดันนอะแต่ว่าออสกาข้าขอโทษด้วยนะท่านพ่อโอดินโอลิเวอร์ท่านพ่อข้ารู้ว่าพ่อคิดว่าขาพร้อมจะรับช่วงต่อแล้วและข้าก็คิดวา่าพร้อมนะแต่ข้าเนี่ยข้าไม่ใช่ลูกคนโต ไม่ใช่โอดินเหรอที่ต้องไปโครับมันไปใช่แต่ลูกจะไม่ลองช่วยดูสักหน่อยเหรอเออไม่ดีกว่าขอบคุณแต่ว่าขาอยากไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าจะทำงานปกครองที่แสนน่าเบือ่อเมื่อพูดจบโอลิเวอร์ก็จากไปราชาที่เศร้าใจหันมาทางโอดินโอดินลูกคนโตช่วยพ่อด้วยนะ ท่านพ่อข้าเคยบอกพ่อแล้วว่าข้าไม่สนใจจะเป็นราชาข้าต้องขอโทษ ด, ด้วยที่ต้องทำร้ายจิตใจพ่อแต่ข้าอยากไปรมเพื่อเป็นจิตกรโอดินเดินจากไปด้วยหัวใจที่หนักแน่นเมื่อเขามาถึงห้องของเขาโอมัสเงยหน้าขึ้นมาด้วยความโกรธข้าบอกเจ้าแล้วมันไม่ได้ผลนะลูกชายข้าไมา่ได้เรื่องสักคนหนึ่งข้า คงจะต้องสั่งให้พวกเขาตาตามที่ข้าต้องการหลังข้างหลังโครมระยะได้เผยร่างของนางฟ้าออกมาเธอมีชื่อว่าคิตโต้ใจเย็นๆก่อนสิราชาของข้าเจ้า ก, ก็พูดได้ซเจ้าไม่ใช่คนที่พยายามจะทําให้ผู้ใหญ่ทั้งสามสามารถปกครองอาณาจักร <c oughs> แล้วทำไมท่านถึงไม่ไปลองเล่นตามเกมของพวกเขาดูล่ะแล้วมันจะต้องทำยังไง ฟังดูน่าสนุกนะก็ได้คิดต้อมาลองดูกันในวันนั้นเองราชาได้ขึ้นไปหาโอลิเวอร์นายโอลิเวอร์ดาบของเจ้าชนายกยองจริงมันงดงามใช่ไหมสัตวพ่อแถมมันยังเงาวับอีกด้วยแต่ดูเหมือนมันยังไม่อีม่มยังไม่เคยถูกใช้มา ก, ก่อนเลยนะอะไรนะ มันต้องถูกใช้แน่ใครล่ะเจ้าล่ะลูกรักเจ้าเนี่เพิ่งอายุ19เกพ่อแข็งแรงและก่าหารมากแล้วตอนอายุเท่ากับลูกแต่ไม่ต้องกังวลจะอาจจะพร้อมเมื่ออายุสักเอ่อหกสิบสิบเหรอข้ามั่นใจว่าข้าจะเป็นราชาในไม่ช้าท่านพ่อราชาทั้งที่ไม่เคยฝึกซ้อมที่จะเป็นล่ะลูก หนทางที่จะเป็นราชาของเจ้ายังอีกยาวไกลบางทีอาจจะตอนหกสิบนะโอลิเวอร์ตกใจมากเมื่อเห็นในสิ่งที่พ่อคิดกับเขาเขาโกรธมากเป็นไง <c oughs> ได้ผลไหมง่ายเหมือนแยกลูกอมจากเด็กเลย <c oughs> เขานะ่ะเริ่มลุกโชนขึ้นมาแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ตลกนะ หวังว่าแผนเจ้าจะได้ผลมันได้ผลแน่ผ่านไปแล้วหนึ่งไปคนที่สองเลยดีกว่าราชาไปหาบุตรคนที่สองเขาเห็นออสการ์รายล้อมไปด้วยกระถางดอกไม้ท่านพ่อดูสิข้าได้งานอดิเรกอันใหม่ทําสวนไงฟังดูน่าสนุกไหมโอ้ลูกรักพ่อเนี่ยจะมาบอกเจ้าว่าพ่อจะไม่บัคับให้เจ้ารับผิดชอบเรื่องใดในรัชวงศ์แล้ว่ะ จริงเหรองั้นก็ดีไปเลยพ่อหมายถึงมันชัดเจนว่าเจ้าของไม่เหมาะกับการเป็นราชาราชาต้องมั่นใจกับสิ่งที่เขาต้องการเสมอ อ, อ, อะไรนะข้ามั่นใจอ่ะข้าก็แค่แน่นอนพ่อคิดว่าประชาชนของรักผู้ปกครองที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเป็นราชาหรือตัวตลกแน่นอนเอาละ่ะคอยสนุกกับงานอดิเรของเจ้าไว้เจอกัน พ่อคิดว่าข้าไม่มีความมั่นใจพออย่างนั้นเหรอก็ได้ปุี้ขจะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดและสุดท้ายราชาได้ไปพบลูกชายคนโตโอดินว้าวเธ้าสง่างามจริงๆโอ้ขอบคุณมากนะโอดินลูกยังจำหน้าตาของพ่อได้อยู่อีกเหรอนี่โอ้ขอโทษด้ท่านพ่อข้าหมายถึงพุ่มกุหลาบด้านหลังของท่าน ไม่เป็นไรพ่อมาถามเจ้าว่าเจ้าต้องการวาดภาพอย่างอื่นนอกจากต้นไม้ไหมอะไรนะภาพวาดของข้ามีอะไรผิดพลาดเหรอคือพ่อไมยถึงพวกมันมีเยอะไปนะต้นไม้ผุมไม้แล้วก็ต้นไม้ทำไมไม่ลองวาดอย่างอื่นบ้าง อย่างวกเขาผูมิทัศน์บางอย่างที่ต่างไปท้าทายขึ้นหน่อยโอ้อเป็นความคิดที่เยี่ยมเลยข้าเจ้อเดินทางพวกนี้เช้าเพื่อว่าสถานที่ใหม่ๆในอาณาจักรขอบคุณมากที่สนับสนุนข้าอๆ อ, อ, อก็คนเป็นพ่อเดจะทำอะไรได้อีกเล้วเอาละตอนนี้ตาเจ้าแล้วคิดโตข้าทำส่วนของข้าเสร็จแล้ว วันรุ่งขึ้นโอลิเวอร์ปลอมตัวและเดินทางออกจากวังในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นฮึข้าจะพิสูจน์ให้ดูท่านพ่ออย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าคิโตกำลังติดตามเขาอยู่ไม่นานเขาก็พบกับหญิงชาราคนหนึ่งกำลังถือตรก้าแอปเปลิลอยู่นี่เป็นโอกาสของข้าแล้วยิู่ โอ้ไม่นะเอบพ่อนุมช่วยข้าหน่อยจะได้ไหมข้าเหรอแต่เจ้าเป็นคนทำมาตกเองนี่เนหะอุย๊ยตายหยาบคายอะไรเช่นนี้แม้แต่ราชา ย, ยังมีความเมตตกว่าเจ้าเจ้าชายหนุ่มตกใจมากไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเขามาก่อนเอเอออคือข้าข่าข้า ข, ข, ข, ขอโทษอะเอาเถอะอย่างน้อยเจ้าก็ขอโทษ โอลิเวอร์รู้สึกสับสนมากเขาเริ่มหยิบแอปเปิ้ลขึ้นมาให้หญิงชราเจ้าช่วยข้าวนะขอบใจมากเลยเธอฉีกยิ้มออกมาให้เขาแล้วก็เดินจากไปโอลิเวอร์เดินทางต่อไปและครุ่นคิดอืมทหารพวกนั้นพูดกันได้น่าสนใจจริงๆด้วยไปรับเจ้าชายน้อยของเราที่นั่นกันดีกว่า โว้ดาบข้าดาบเหรโว้โ อ, โอทหารโอลิเวอร์เดินเข้าไปฟังบทสนทนาของพวกเขาพวกเราไปทำอะไรเหรอเจ้าคิดว่าทำไมพวกเขาโจมตีละ่ะไม่รู้สิแต่พวกเราควรซ่อนตัวนะซ่อนตัวเหรอตอนที่ศัตรูออกมาพวกเราจะทําการโจมตีอะไรกันเจ้าหนูเจ้าแค่โจมตีศัตรูไม่ได้หรอกนะใช่มันอาจ น, นาไปสู่สงครามได้ คิดถึงผู้คนใ น, นจากเซหแต่ไม่ต้องกังวล น, นะจ้ะหนูนี่เป็นเรื่ขอราชาละกองทัพของเขานะแล้วก็จเจ้าชายด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นโอลิเวอร์ก็รู้สึกละอายใจอย่างมากข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ขนาดนี้ท่านพ่อรับผิดชอบและดูแลทั้งหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวเลยอย่างนั้นเหรอเ น, นี่ยฮะฮะสำเร็จตอนนี้ถึงที่ของคนต่อไป ออสการ์ออกไปตระเวนในส่วนอื่นของอาณาจักรตื่นเต้นจังเลยโอ้จิตกรเหรออืมข้ามั่นใจว่าต้องว่ารูปที่ดีออกมาได้แน่นอนเมื่อเขาเดินออกไปทันใดนั้นคิดโตได้มองเห็นกลุ่มนักแสดงที่กำลังนั่งเศร้ากันอยู่เธอยิ้มออกมาเย <Yeah! S 1> ้หือ้อ ออสการ์ได้ยินเสียงและเดินไปหาพวกเขานักแสดงแต่ทำไมพวกเจ้าดูเศร้าจังเลยอ่ะราชาของพวกเราเชิญแกคนสาคัญ จ, า, จากอาณาจักรใกลเคียงมาร่วมงานแต่การเต้นของพวกเรายังไม่ดีพอพวกเราอยากแสดงโชว์ที่ดีให้กับแขกนะอ๋ข้าเต้นได้ดีมากนะเจ้ารู้ไหมให้ข้าช่วยเถอะน่าดังนั้นเขาจึงเต้น และสอนพวกเขาอย่างดีจนในที่สุดนักแสดงก็มั่นใจและพร้อมที่จะโชว์แล้วขอบคุณเจ้ามากนะพวกเราพร้อมแล้วหวังว่าเจ้าจะมาดูพวกเราแสดงด้วยบายออสกา ร, รู้สึกมีความสุขมากที่เขาได้ใช้ความสามารถของเขาช่วยเหลือผู้คนเอาไว้หากข้าใช้ความสามารถข้าในการช่วยเหลือคนอื่นบางทีการปกครองอาณาจักรอาจจะไม่ใช่ความคิดที่แย่อะไรนะเย่ yeah! สำเร็จเหลืออีกคนแล้วสินะคิตโต้มองไป ร, บรอบๆและพบโอดินที่กาลังยืนอยู่ริมแม่น้าโอ้ไม่นะข้าต้องย้ายเขาไปที่อื่นซะแล้วอ๋ที่นี่ยอดเยี่ยมไปเลยข้าเกือบจะวาดเสร็จแล้วตอนนี้ข้าก็แค่อตอนนี้แหละโอ้โ อ, โอ้ไม่นะภาพวาดของข้าเปื้อนคลนหมดเลยโทษย้ายไปที่อื่นดีกว่า ดังนั้นเขาจึงเก็บสีและบอร์ดแล้วเดินออกไปที่นี่น่าจะเหมาะหวังว่าคงไม่มีอากาศแย่ๆอีกนะเขาเริ่มวาดภาพและเมื่อมันเกือบจะเสร็จแล้วมีชายคนหนึ่งถือถังน้ำและเดินผ่านมาใกล้อีกนิดอีกนิดตอนนี้แหละน้ำจากถังกระจายไปทั่วภาพตอนนี้โอดินโกรธ โท็น่าล้ำคา่าน่าแค่เหลือลงสีฉากที่งดงามตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วเที่ยวข้าขอโทษนะผ่อนหนุ่มแต่ถ้าเจ้าอยากได้วิวที่งดงามจริงๆข้าบอกเจ้าได้นะว่าตกไปที่ไหนที่นั่นเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีและมีสระน้ำที่งดงามที่มีหขงว่ายอยู่โอ้ฟังดูเยี่ยมเลยที่นั่นอยู่ไหนเหระ ชายคนนั้นบอกทางไปที่นั่นกับโอดินเขาจึงรีบไปที่นั่นมาถึงสักทีอะอในที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากดินแดนแห้งแล้งแลวก็ตอไม้ชายคนนั้นหลออค่ะในตอนนั้นเองได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินตามทางเข้ามานี่เด็กน้อย จะรู้จักทางไปสถานที่ที่สวยงามมีสระน้ําแล้วก็มีหงว่ายอยู่ไหมที่นี่แหละคะ่ะมันเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนก่อนที่จะเกิดความทุกข์ยากและอดยากขึ้นมาผู้คนต้องอพยพออกไปดูเหมือนราชาไม่สนใจด้วยเจ้าคิดผิดราชาอะโหทุกคนนะเขาแค่ไม่มีความช่วยเหลือจาทันใดนั้นโอดินก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาจะพูดออกไปเด็กสาวไม่สนใจและเดินจากไป โอ้แย oh, yeah, ่จริงๆสถานที่เคยงดงามเช่นนี้ถูกทำลายไปถึงแม้ว่าท่านพ่อจะพยายามอย่างหนักแล้วก็ตามในที่สุดหน้าที่ของข้าก็สำเร็จสักทีกลับมาที่พระราชวังราชานั่งอยู่คนเดียวและฝันถึงวันหยุดของเขาโอ้แสงแดดอบอุ่นชิวๆอยู่ริมแม่น้ำน้ำมะพร้าวแสนหวานโอ้ เมื่อไรลูกๆของข้าจะกลับมาพร้อมกันท่านพ่อท่านพ่อพวกเราพร้อมแล้วฮะอะไรนะอ๋อโอเคท่านพ่อพวกเราเดินทางไปทั่วอาณาจากักรและเห็นว่าท่านปกครองได้ดีเพียงใดพวกเราเห็นว่าพ่อนะต้องมีคนช่วยเหลือและ พวกเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ของพวกเราแล้วละราชารู้สึกประทับใจอย่างมากจนเขาร้องไห้ออกมาลูกลกของพ่อพ่อว่าพวกลูกเข้าใจแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ดังนั้นเจ้าชายทั้งสามจึงร่วมมือกันเพื่อปกครองอาณาจากักรพวกเขาทำได้ดีเพราะพวกเขาฉลาดและหัวไวในแบบของพวกเขาส่วนราชามีความสุขกับวันพักผ่อนของเขาบนชายหาด ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นนี่มันเยี่ยมจริงๆแถมน้ำมะพร้าวยังอร่อยสุดๆไปเลยจริงไม้คิดโต้แน่นอนที่สุดเลยค่ะฝ่าบาทมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยฮสําเร็จ